พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าพลังคุณธรรมพลังนา ม, มาธรรมลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเป็นวันสำคัญยิ่งของชาติท่านนายอำเภอนาอยูงพร้อมกับคณะหัวหน้าสวนรัศการในเขตอำเภอนาอยูงผู้ใหญ่บ้านกำนันเรียกว่าหัวหน้า ส่วนรัศการหรือข้าราชการครูได้มาประกาศได้มาตักบาตรใส่บาตรพระสงฆ์พระสงฆ์ในวัดของเราวันนี้ก็44ก่สิบี่โรคออกปินทบาตแล้วก็คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมล้นหลามที่มาตักบาตรหลวงพ่อก็ได้ถามแต่เมื่อวานเน่เมื่อวานเนี่ยกับทางพออโรองพยาบาลทุ ขอโรงเรียนนุยงทองพิทยาคมกับคณะครูบาอาจารย์นักเรียนได้มาไซบาทเมื่อวานเนี่ยทุกพ่อก็ได้ถามว่าเออทำไมเห็นนักเรียนครูบาอาจารย์มาแปลกวันนี้เนื่องในวันอะไรอกก็ถามพ่อหลวงพ่อเป็นพระป่าพระดงฮะงก็บอกว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันพระราชสมภพ เ, เป็นวันเกิด พูดภาษาบ้านเรากว่าเป็นวันเกิดของนายหลวงรัชการที่ส0พวกนั้นพวกเราประสบใ้ก่อนได้ม า, ต, าตักบาตใจบดบาทก่อนพระนวันนี้ก็ถือว่าพอวันที่28วันนี้ท่านนายอำเภอกับคณะหัวนหน้าสวนรัชการอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็ได้มาทำบุญตักบาดล้นหลามเป็นเพื่อเป็นการถวาย พระราชกุศลจงรักพักดีต่อรัชกาลที่ส0ที่วันพระราชสมภพคือวันเกิดของท่านในวันที่28กรกฎาคมวันนี้ดังนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดได้กล่าวว่าเป็นวันมงคลมหามงคล ว, วันหนึ่งแต่ก่อนก็เป็นวันที่ห้าธันวาคมเป็นวัน พระราชสมภ พ, พเลยวันเกิดของรัชกาลที่เก้านะเป็นปู่ของเราแล้วแต่เนี่ยเป็นปู่คนระอันนี้เป็นพ่อนะเป็นผู้ดูดูแลปกครองขั้นตอนต่อมาเพราะนั้นก่อนที่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะเป็นพึกแผ่นขึ้นมาถ้าเราได้ศึกษาในประวัติศาสตร์ก็มีเห้ยมากหลากหลายพอสมควรในครั้ง กะนู้นนะคนโบราณก็ไม่ใช่ําไมดามือนกันนะแข่งแย่งดินแดนแข่งแย่งการเป็นอยูออ่ทุกวันให้พวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยในยุคโลกยุคสมัยทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีกฎกติกากันไปมาหาสู่กว่ า, วาโลกมันแคบไม่เหมือนแต่ก่อน ก่อนก่อนถ้าจะเดินไปหากันแต่ที่ไหนต้องใช้เวลานมนานแล้วก็ก่อที่จะไปถึงกันได้ไปก็ไปถึงแล้วก็นเป็นอริัตรูกันลบลาข้าวฟันกันตามที่เราได้อ่านในประวัติศาสตร์นะแต่ยุคสมัยนี้การไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นและก็พร้อมกันมันก็ไม่ไวอีกเหมือนกันเรื่องตัวกิเลสนะ ตัวกิเลสราคาโทสะโอหะโลภโกรธหลงในหลักของพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือถึงจะเราอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความสุขาตามัตภาพคนอื่นก็มาแย่งมาแย่งความสุขมาสกฉวยโอกาสบางทีก็นะ่อย่างแถวตะ ว, วันออกกลางอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ได้ยินได้เห็น จุดนั่งก็แตกกระจุยกระจายกันทั้งที่บ้านเมืองของตนเองสร้างมาดูแลมากับไม้กับมือร่มเย็นเป็นสุขแท่พอเกิดสึกสงครามแล้วก็เหมือนกับมดมดแตกลังหรือพึ่งแตกลังลักษณะอย่างนั้นแต่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในชื่อต่างๆขนาดหลวงพ่ออยู่ในป่ารงพงไพ่อยู่ขนาดที่หลวงพ่อก็ยังได้รับภูรับรา บ, ร บ, ร บ, รบ พ่อใหญ่พ่อลูกศิษย์ลูกหาสถา ญ, ญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องมาพูดมากล่าวให้ฟังหลวงพ่อก็ฟังได้ทุกแห่งทุกหนทุกคู่ทุกคนพ่อใหญ่หลวงพ่อหเหมือนถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกระโถนท้องพระโลงอย่างที่สอบสับโบราณเขาเคยพูดเคยกล่าวเพราะเป็นวัดวาศาสนาเป็นหัวหน้าเป็นสมภารใครมีอะไรก็มาพูดมากล่าวให้ฟังทั้งมีเรื่องดีเรื่องเลว แต่หลวงพ่อก็ต้องมาคัดสรรนะมาคัดสรรเหมือนกันแล้วเขาโยนดอกไม้มาให้บางทีมาโยนมาแล้วเราก็ต้องมาคัดสรรตัวไหนเป็นที่ดอกไม้ที่ดียังอยู่ในสภาพเราก็คัดออกมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ประดับตกแต่งเป็นพวงมาลาแต่ตัวไหนที่มันเน่าเราก็คัดทิ้งนี้ก็เหมือนกันน่ะ ที่เราได้ยินอะไรมาเราก็เออบทนี้เป็นบทเรียนอันนี้คือเป็นบทศึกษาอันนี้เป็นบทที่พวกเราจะต้องได้เรียนรู้เพื่อประดับสติปัญญาเอาไว้ในเมื่อวันนั้นมาถึงหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ทุกแห่งหนเราก็พร้อมที่จะดูดูเหตุการณ์แล้วก็เอาอดีต ท, ที่ผ่านมามาประยุกต์ มานำมาพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบเราเราก็จะตักหาทางออกในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะนั้นถ้าว่าเราไยในการศึกษาไยในการเรียนรู้ไยในการได้รับยินได้รับได้ยินได้ยินได้ฟังาจากคู่คนต่างๆถ้าเรารู้จักแยกแยะนะ เ, เราใช้ปัญญาแยกแยะกันกรองไตรตรอง เรื่องเหตุและผลแต่ละเรื่องมันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นล่ละลูกหลานแต่ว่าฟังไปแล้วจบไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างที่หลวงพ่อเล่ากล่าวเรื่องชาดกให้พวกคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานฟังทั้งที่ชาดกมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ครั้ ง, งพุทธกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้าสองพันกว่าปีแล้วแต่หลวงพ่อนามาประยุกต์มาบอกมากล่าว ถ้าลูกหลานใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดก็จะนำชาดกเรื่องนั้นเอามาเอามาเป็นแนวทางเอามาเป็นแนวทางให้พวกเราได้ศึกษานะแต่หากว่าพวกเราฟังแล้วก็แล้วไปกระจบไปนี่คงเหมือนกันนะที่พวกเราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้นะรัชกาลที่9พระองค์ก็ททาคุณประโยชน์มหาศาล อย่างพวกเราท่านทางหลายไี่เห็นคูนูประการของพระ อ, องค์ท่านประสบในกรอย่างหลังไหลไปกล่าวไปขาดเส้นขาดสายปักไปกับพระศพของพระ อ, องค์ที่พระ อ, องค์สวรรค์าลายัยในวั่าเดือนตุลาเนี่ยแหละจะเป็นการถวายพระเพลิงของพระ อ, องค์ท่านนี่แหละอันนี้ก็ท่านทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเขืนเท่าไร่เขื่อนเท่าไร ในประเทศไทยแล้วอย่างอื่นอีกมากมายนับไม่ถวนที่พระองค์ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศจากนั้นพระองค์ท่านลูกของพระองค์ท่านคือคือรอสิบท่านงคงจะเดินตามแนวปฏิปทาของพระบิดาของพระองค์ท่านสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพระศกนิกรพระองค์งคงจะเดินตามพระบิดาของพระองค์นี่อันนี้แหละพวกเราได้ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพรามหาการสัท์ทรงคุณธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมบ้านเมืองเคารมเยนเป็นสุขถ้าหาว่าในยุคใดสมัยใดถ้าว่าพวกเราได้ผู้นํำไม่ดีนะก็พวกเราก็เดือดร้อนอนี่แหละไม่ไว่ายุคนั้นสมัยนี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดชาดกให้ฟังมีมากมายที่หลวงพ่อได้พูดอย่างฤาษีอยู่ในป่า อยสีอยู่ในป่าท่านบอกวันหนึ่งพระมหากษัตริย์เข้าไปล่าไปล่านเนื้อในป่าพอไปล่านเนื้อในป่าไปพบกับฤือสีรือสีก็เอาผลไม้ลากไม้มาให้สวยพระบรมราชาบอกว่าเป็นไงลือสีผลไม้ในช่วงนี้เออสงสัยผู้ปกครอง พระเจ้าพราณสศีเนี่ยคงจะปกครองไม่ช่อยชอบทำเท่าไหร่ผ ล, ลไม้ในป่าเนี่เปรี้ยวนะอันนี้ในชาโดกนะอันนชาโดกพวกเราฟังเอาไว้สิแต่ตอนที่พระเจ้าไปดินเกิดท่านตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระเจ้าพราณสศีผมมทัดชอบลลา น, นึ่อในป่าเนี่ยตอนี้ท่านก็เลยโอ้เก๋งได้เปล่าหวัด แต่ในท่ากลับไปท่านกับปรับปรุงบ้านเมืองของท่า น, านเถอะไอให้ดีที่สุดอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอยู่ในกรอะทุกอย่างเลยนเถอะไงรู้สึกบ้านเมืองเรียรับความสงบโรคเย็นร่มเย็นเป็นสุขสมัยต่อกอ น, นั้นมีแต่บีบราทาเลนเรื่องภาษีอากรามีคอรับชงคอรับชันในประเทศจุงเหยิงวุ่นวายไปหมดเพราะพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าพร ม, มทัต พระ อ, องค์ท่านไม่ได้ใส่ใจมีแต่สนุกสนานออกไปล่าสัตว์ไปลาสัตว์ในป่านแต่ทีพอพระ อ, องค์กลับไปก็พัฒนาใหม่พอปรับปรุงใหม่ขึ้นมาถึงในกฎอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบจากนั้นก็พระ อ, องค์ก็จเจริญไปในป่าอีกนะไปไปถามฤอษีฤอษีอยู่ในป่าไปไงท่านฤอษีผลละบากลากไม้ที่อยู่ใน ป่าเนี่ยท่านก็ผลฤษีก็เอ า, อาผลไม้ไมาให้พระเจ้าไปดินเสวยถามผลฤษีว่าเป็นไงผลไม้ในป่าโอ้รู้สึกผลไม้หวานฉ่าเลยนะรสดีมากเลยนี่แหะสงสัยพระเจ้าพระเจ้าเป็นดินคงจะอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพราะผลไม้อยู่ในป่าก็มีรสรสหวานด้วย อันนี้อันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินได้อ่านมาในพระไตรปิฎกนะอันนี้ก็มาเล่าเล่าให้ลูกหลานได้ฟังเพราะนั้นคานหว่าประกอบคุณงามความดีสิ่งแวดล้อมพอดีไปด้วยนะอย่างพวกเราเนี่ยหละอย่างหลวงพ่ออินนี่แนหะละหลวงพ่ออินเป็นคนดีมีน้ำใจมีเมตตาลูกน้องบริวารพระเนรขอร่มเย็นเป็นสุขศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องก่ เย็นร่มเย็นไว้เนื้อเชื่อใจเสรือเผื่อแผ่แบกแจกแบ่งกันพึ่งพาอาศัยกันทั้งทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวาสญาติโยมพไธไลพ่อว่าพวกเราเข้ามาแล้วมีน้ำใจต่อกันนี่นแหละร่มเย็นเป็นสุขถ้าหลวงพ่ออินเขี้ยวนะ เ, เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ใครมีไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี พวกเราก็มาก็ทุกใจเดือดร้อนนี่แหละอันนี้ก็คือไ ม, ไ, มไม่ว่าทุกแห่งหนตําบลใดถ้าหาว่าผู้นําหรือว่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยอินเนี่ยทำตนไม่ดีก็เดือดร้อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่ก็มาถึงครอบครัวก็เหมือนกันหัวหน้าครอบครัวสามีภรรยาท่านดูแลปกคร้องลูกช่วยกันดูแลครอบครัว มันขยันด้วยกันแม่บ้านก็รับผิดชอบทางหนึ่งพ่อบ้านก็รับผิดชอบทางหนึ่งต่างช่วยกันดูแลครอบครัวครอบครัวนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขนะแต่ถ้าว่าแม่บ้านก็ไปอีกไปทางหนึ่งพ่อบ้านก็ไปทางหนึง rian rian งหน่งไม่มีใครรับผิดชอบในครอบครัวครอบครัวนั้นก็นลัดซ้ำรัดสายหาความสขขงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้พวกเราคิดดูที่ใจจริงไหมที่หลวงพ่อพูดจริงไหม คงจะมีตัวอย่างในหมู่บ้านของเราหรือในตำบลของเราอำเภอของเราประเทศชาติของเราเป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นอยู่นะในหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงแต่นี้ถ้าหมู่บ้านใดข้อตามนะผู้ใหญ่บ้านคำนันหรือคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านพร้อมเพียงสามัคคีการรักการเมตตากาันใครตกทุกข์ใดยากก็ดูแลเกื้อกูลหนุนกันหมู่บ้านนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุข เพ่รเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านทำใ่ใจในหมู่บ้านของตนเองนี่แหละอันนี้ก็ถมาถึงตำบลก็เหมือนกันกำนันดูแลตำบลของตนเองเอตำบลของเราขาดหรือขาดตัวอะไรหน้าที่ของกำนันคืออะไรดูแลตามความเหมาะสมกับตำบลนั้นก็ร่มเย็นเป็นจุกนายอำเภอก็เหมือนกันผู้วารัฐการจังหวัดก็เหมือนกันนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกัน ย้อนยุคยุใหญ่สมัยใดนายกรัฐมนตรีมีคุณธรรมมีศริยธรรมจริยธรรมที่ดีประเทศชาติก็ร่มเย็นเป็นสุขต่างประเทศนายุคสมัยใดนายกหรือผู้นําของประเทศ เ, เป็นผู้มีาอานาจหน้าที่เต็มบริหารจัดการประเทศชาติไม่ไม่อยู่ในกรอบของศริยธรรมประเทศชาติก็ยากจนเดือดร้อนนี่ละ อันนี้คือธรรมชาติทนะนนี่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่คือธรรมชาติของมวลมนุษยชาตินะต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ายัางไงก็ตามแต่นีพอมันเป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วพวกเราให้มองย้อนมาหาตัวเองนะหนะลวงพ่ออินก็มองมาหาตัวเองเหมือนกันเราจะวางตัวอย่างไงจึงจะมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีสาหรับการเป็นอยู่ในวัดวาศาสนาที่เป็นหัวหน้านะ และขาออบอกว่าหน้าคร อ, อบครัวแม่บ้านพ่อบ้านก็ดีให้มองตอนเองเธอนี่ยอันไหนที่ขาดเหลือขาดตกที่เราทําไม่ถูกต้องที่ทำไม่เป็นธรรมไม่อยู่ในกรอบคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมควรเราก็ควรจะประปับปรุงจุดนั้นให้ดีที่สุด เ, เ, เมื่อเราต่างคนก็ต่างปรปับปรุงกายว่าจาใจของเราสถานะของเราการเป็นอยู่ของเรา จ, จริยธรรมของเราเพวกเราอยู่มาก อยู่กันมากน้อยก็ร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันเพราะพวกเราไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่แก่งแย่งกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้คือการเป็นอยู่แต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อพูดไปไหนหลวงพ่อก็ไม่ลืมว่าคุณธรรมศีลธรรมจะได้ยถาธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ท่านสอนว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญนี หลวงพ่อย้ำคำนี้อยู่เสมอพราะเห็ฮลายพ่อพวกเราจะลืมจะลืมคำว่าเมื่อตายแล้วไปที่ไหนตายแล้วสูนเมื่อตายแล้วสูนพวกเราก็ไม่ประกอบคุณงามความดีพร้อมที่จะทำความชั่วช้าเลวสามไปได้แต่พวกเราคิดว่าตายแล้วไม่สูนตามหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะเราก็จะได้น้อมลํเลึกว่าสิ่งที่เราประกอบคุณงามความดีนะ เ, เป็นยังไง คณงามความดีนะไม่ใช่ well. ทำให้เป็นนามะธรรมนะเป็นนามะธรรมมองไม่เห็นแต่เรามาปรับปรุงให้เป็นรูปประธรรมก็เป็นรูปประธรรมขึ้นมาได้นะ อ, well, อย่างเชื่อว่าเราคิดขึ้นมาเป็นตัวเลขนะเราเรียนตัวเลขตัวเลขมันก็อยู่ในใจนะเป็นานามะธรรมแต่เรามาเขียนเป็นตัวเลขขึ้นมามันก็เป็นรูปรูปประธรรมนี่ก็เหมือนกันนั่นรูปประธรรมกับ น, นามธรรมรูป ปะธรรมนามะธรรมอาศัยกันคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นนามะธรรมใจของเราก็เป็นนามะธรรมอนามะธรรมกับนามะธรรมเน่ยเข้ากันได้นะเหมือนกับน้ํามันกับตัวน้ํามันน้ํำมันมะพร้าวน้ํามันเบนซินน้นํามันโซล่าประเภทน้ํามันแล้วต้องเข้ากันได้แต่มันเข้ากับมันเข้ากับอน้ําธรรมดาไม่ได้ เพราะอะไรพรามันน้ํามันกับน้ำนํำนี่แหละรูปธรรมกร ะ, กะนามธรรมกับลักษณะอันละ่ะจะทา ญ, ญาติโยมรูปธรรมเหมือนกับน้ําน้ำมัธรรมคือน้ํามันลักษณะอย่างนั้นะ่ะ เ, เพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษาในจุดนี้นะให้ศึกษาให้เรียนรู้ในจุดนี้หละ่ะถ้าพวกเราได้เรียนรู้เรื่องนาำมัธรรมแล้วเราจะรู้ได้ว่านาำมัธรรมนั้นคืออะไรมีคุณค่าขนาดไหนมีพลังขนาดไหนเรื่องนาำมัธธรรมเนี่ยมันเป็นพลังนะ นม า, ามาทำในเป็นพลังส่วนหนึ่งที่ถ้าพวกเราได้ศึกษาดูแล้วพลังใจในสําคัญนะว่าพวกกําลังใจถดถอยกําลังใจไม่มีหมดอะไรตายอยากมดถานเหมือนมนุษย์ชาติของเราแต่ว่าพวกเรามีกําลังใจเข้มแข็งมีกําลังใจอมองเห็นว่าอันไหนคุณงามความดีอันไหนที่เป็นประโยชน์นะเราขึ้นสู้นะความว่าสู้คำนี้นะ่ะ ประสบผลสำเร็จได้ง่ายๆอย่างหลงรงตา ท, ท่านตั้ ง, ต, ง, ต, งตั้งชื่อของท่านหนังสือเล่มหนึ่งจนมาสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยนี่แหละอันไหนที่วันเรามองเห็นแล้วที่จะเกิดประโยชน์เราก็ต้องเหยียบคันเร่งหักพวงมาลัยไปในทางที่ถูกต้องหักพวงมาลัยไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็เหยียบคันเร่ง เข้าไปอย่าไปเข้าเกียร์ถอยนะถ้าเกียร์ถอยนะไม่ได้งานทุกอย่างเนี่ยหมดสภาพเลยเพวกเราต้องหักพวงมลาลยัยและก็เหยียบคันเร่งจะประสบสำเร็จสว ม, สมความมุม่งมา่นปรารถนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ดูแลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ พระมาหกากษัตริย์เป็นผู้ผู้ดูแลชาติและศาสนาได้รับความสงขพร่มเย็นเป็นฉุกมาโดยตลอดรอเก้าท่านก็ได้ทรงผนวตนะรอสิบพระองค์ก็ได้ทรงผนวตรกับสมเด็จยานะสังวรสมเด็จพระสังคราชองค์ที่สิ้นสวรรษสวรรคตไปแล้ว น, ะนี่แหละพระองค์ก็ได้ทรงผนวด เป็นผู้ประธรรมอุปธรรมปรถารพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนี่ยรอศีท่านบอกบอกว่านีพวกเราได้อ่านในประวัติรอศรีนะท่านว่าให้ท่านนับให้ท่านไ ด, ได้ศึกษาได้อ่านทกศาสนา แต่ว่าท่านจะให้นับถือเริ่มใสท่านจะนับถือพุทธศาสนาเศาสนาพุทธไม่มีการบังคับเป็นอิสระในแนวความคิดใช้สติใช้ปัญญาใช้ความถูกต้องแต่โดยมากคนเราไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบคําว่าอิสระนักคิดนะถ้าว่าจะให้ไปภาวนาก็ต้องให้มีคอสนะ บ, บังคับให้คอส ไม่ให้พูดเพราะมนุษย์ของเราเนี่ยชอบบังคับนะแต่รอศีท่านท่านไม่ชอบ บ, งบังคับท่านใช้หลักเหตุผลเมื่อพิจารณาถูกต้องเป็นธรรมแล้วเดินตามหลักเหตุผลนั้นไม่ต้องมาบังคับกันเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมต้องใช้ปัญญาพิจารณาการกรองด้วยเหตุและผลนี่แหละหลักของพุทธศาสนาโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะจทหา ย, ยาโยมลูกหลานทุกคนนะให้ ที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังฟังแล้วก็ น, นําไปกลั่นกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลดูเจ๋งไหมพอหลวงพ่อพูดเอาหลักเหตุผลมาพูดให้ลุกหลานได้ฟังได้ศึกษ า, าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นไม้เมืองลําปางเป็นหมาเมืองอินเดียหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อโอ้แต่มันไม่ให้มันมองไปที่อื่นให้มันมองแต่ทางเท่านั้นใส่ซองเข้าในตาของมัน ทำมองไปที่อื่นกลัวมันจะเสียสมาธิใช่ไหมล่ะเออมันก็เลยให้มองไปเฉพาะทางแต่พระพุทธศาสนานเปิดกว้างฮะไม่ต้องมีซองมองให้ทั่วถึงรอบทิศหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังมองสูงมองต่ํามองซ้ายมองขวามองเหตุมองผลอันไหนควรไม่ควรอนนันถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมนี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้มองอด้วยสมมาธิฐิหด้วยมักแป สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรวาจากัมมันตัวอิชีววายโมชติสมาธินี่ยแหละหลักของพุทธศาสนาให้มองนะลูกหลานนะเป็นหนทางนะถ้าต่อเนื่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแลพนะพรในที่น่าวันนี้พวกเราได้มาทําบุญนะกิจการถวายเป็นพระราชกุศลต่อพ ร, ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานยด้วยนะรอ้อยสนะลําลึกถึงพระคุณของท่านถวายเป็นพระราชกุศลต่อรพระองค์ท่านนะ ให้พระ อ, องค์มีพระพระพระพระพราน า, า, าใหม่สุขภาพอยู่ในความสุขเกษมสำราญ